ท่านเทรามุเทราเพื่อนสหธรรมิกขอจเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ดรวิชัยกาญจนาสุวรรณผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มิยาเขตหัดใหญ่และท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านขออนุโมทนาชื่นชมที่ได้จักวันสันติภาพสากลต่อเนื่องเป็นปีที่สา และก็น่าจะจับต่อไปแล้วก็เป็นการให้ความสาคัญการตระหนักรู้ในเรื่องของสันติภาพโลกซึ่งวันสันติภาพสากลนั้นทางองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ฉลองวันที่21กันยายนตั้งแต่ปี2 5 2 5ันห้สอง และต่อมาในปี2556เลขาธิการสนิชาติขอให้วันนี้เป็นวันที่ระดมกับเรื่อง Peace Education เรื่องสันติศึกษ า, าและสิ่งที่สำคัญในการฉลองก็คือต้องในวันที่21กันยายนเนี่ยซึ่งเป็นวันสันติภาพสากลต้องยุติความรุนแรง ทุกรูปแบบถ้ามีรบกันก็ต้องหยุดรบถึงจะเรียกว่าวันสันธิภาพสากลถ้ามีความขัดแย้งหรือมีความไม่ปลอดภัยในการเข้าไปในสถานที่ใดวันนี้ไปได้ทุกที่เขาหมายถึงอย่างนั้นก็คือทำให้นึกถึงโอลิมปิกเพสในในกรี เมื่อ776ปีก่อนคริสต์ศักราชกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี776ก่อนขอศโดยนครมรัตซิตี้สเตทของกรีกตกลงแข่งกีฬากันที่เขาโอลิมปัส4ปีแข่ง <c oughs> ครั้งหนึ่งและถ้าหากว่าในช่วงแข่งกีฬาเนี่ยหากรบกันก็หยุดรบ เอาทหารเนี่ยมาแข่งกีฬากันแทนเอาใช้ชนะจากกีฬาไม่มีการใช้ความรุ่มแรงแล้วก็มายุค ป, ปัจจุบันก็เลยฟื้นฟูกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาแต่ว่าสปิริตของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นไปเพื่อการบูชาเทพเจ้าซุสที่เขาโอลิมปัสประการหนึ่งและเป็นการยกย่องเรื่องสันติภาพเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าอีกประการหนึ่ง เราดูหนังวนกลับมาในยุคปัจจุบันที่มีวันสันติภาพสากลเนี่ยก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกันถึงจะครอบคลุมในเรื่องของวันสำคัญวันนี้ในในเรื่องสันติภาพหัวข้อสันติภาพกับาศาสนากับการสร้างสันติภาพที่จะนำเสนอเนี่ยก็คือในภาษาบาลีเราเรียกว่าสันติ ในภาษาสันสกฤตก็คือสันติก็คือความสงบหรือ peace นั่นเองเวลาให้คำนิยามเรื่อง peace สันติภาพเนี่ยมันมีสองไนยะไนยะแรกก็คือการปฏิเสธและไนยะที่สองคือความยืนยังส่วนมากเราจะจะใช้ในความหมายปฏิเสธก็คือ absence of war absence of conflict ไม่มี ความขัดแย้งไม่มีสงครามเราเรียกว่าสันติภาพแต่ในในเชิงบวกเนี่ยเราหมายถึงสภาวะที่มีเอกภาพความสามัคคีเสรีภาพไร้ความยุติธรรมบางแห่งไม่มีความขัดแย้งบางที่ไม่มีสงครามแต่มันอยู่ได้ด้วยการกดไว้ บีบคั้นไม่ให้มีปากมีเสียงอาจจะเขาเรียกว่ามีการล่วงละเมิดสิทธทิมนุษยชนเขาก็ไม่เรียกว่าสันติภาพที่สมบูรณ์สันติภาพที่สมบูรณ์จะต้องเป็นข้อที่สองด้วยก็คือมีเอกภาพมีความรักมีความสามัคคีมีความยุติธรรมสมาจะไปเร็วนะเพราะว่ามีประเด็นที่อาจจะ ในทางศาสนานั้นโดยพระพุทธศาสนาเนี่ยเราแบ่งสันติภาพเป็นสองระดับโดยจากพุทธพจน์คือคำของพระเจ้าเนี่ยประโยคแรกว่านัตถิสันติป ร, รังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านหมายถึงสงบใจพีสม n ยส่วนอันที่สองสุขาสังฆะสามะคีความพร้อมเปรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้เขาหมายถึงความสงบในสงังคม ในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามต้องการให้เกิดสันติภาพภายในจิตใจก่อนเป็นพื้นสมัยและเมื่อคนมีสันติภาพภายในจิตใจเขาก็จะมีความรักเพื่อนมนุษย์สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติข้อที่สองมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นคําสอนทุกศาสนาที่ไปถึงแก่นของศาสนาเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อสันติภาพโดยโดยธรรมชาติของศาสนาอยู่แล้ว อัลอมาไปประชุมที่กรุงไทรที่อีนนยิปต์อชอบใจเวลาเขาเละหมาดมีระพงประกาศทั่วทั้งเมืองละหมาดทําพิธีช่วงนั้นในฐานะที่เราไปจากข้างนอกเราชอบมันสงบแน่นอนไม่มีความรุนแรงเพราะทุกคนเข้าหาพระอัลละเท่านั้น การที่เคร่งขรึมในการปฏิบัติทางศาสนากลับเป็นเรื่องที่ดีเราเองเป็นคนนอกไปปลอดภัยมีความรู้สึกอย่างนั้นอยากให้คนเนี่เป็นคนดีตามหลักศาสนาความสงบในจิตใจที่แต่ละศาสนาได้ปลูกฝังมันจะเป็นฐานหในการอ ย, อยู่ร่วมการอย่างสันติในสังคมเพราะฉะนั้น สันติภาพมันจึงมีสันติภาพภายในจิตใจกับสันติภาพในสังคมไปที่ยูเนสโกที่ฝรั่งเศสมันจะมีเสาตั้งระ ง, งาเลยจารึกประโยคนี้ไม่รู้กี่ภาษาน่าจะถึงสิบภาษามันเอาคัดลอกมาจากปร e a อม e หมายถึงคำปรับของชาร์เตอร์ที่เราเรียกว่าธรรมนูญของยูเนสโก แล้วเราก็มักจะมาอ้างกันอยู่เสมอก็คือเขาเขียนในเปรียโบของยูเนสโกไอธรรมนูญของยูเนสโกบอกว่า since w a r begin s i n e m s u b m e n t it is i n e m s u b m e n t that the defense of peace must be constructed เนื่องจากสงครามมันเริ่มมาจากใจของคนเพราะฉะนั้นปราการแห่งสันติภาพต้องสร้างขึ้นที่ใจของมนุษย์นี่แหละ ยูเนสโกซึ่งดูแลเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องการให้การศึกษาวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังผัดเกลาอัธยาศัยนิสัยของคนให้ให้ให้ดีงามและเมื่อมีอัธยาศัยนิสัยที่ดีงามเขาจะเป็นฐานของสันติภาพการศึกษาจริงๆเนี่ยนะถ้าเรา เราเรียกว่าให้การศึกษาอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะสร้างสันติภาพแต่เพราะอะไรเพราะว่าเราสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ culture of peace ลองให้คนได้รู้จักกันเนี่ยมันจะไม่ระแวงมันจะไม่รังเกียจกัน open mind เส ม, มิเรามาแลกเปลี่ยนมาเสวนากันได้นะการศึกษาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมล่ะ ถ้าเราเรียนรู้จริงๆว่าเขาเป็นยังไงมันไม่ใค่น่ากระแวงไม่น่ากลัวหรอกแต่ในในการศึกษาเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีวัฒนธรรมแห่งความรุนแรงเขาเรียก culture of war มันสร้างความรุนแรงสร้างอะไรเพราะผลประโยชน์ต่างๆมากมายอัดฉีดเข้าไปในจิตใจของเยา ว, วชนมันก็เลยทำให้ปราการแห่งสันติภาพที่อยู่ในจิตใจของขเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ ท, ที่นี่แปลบทนำของธรรมนูญยูเนสโกเนื่องจากสงครามเริ่มต้นที่ใจของมนุษย์ดังนั้นปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างที่ใจของมนุษย์ถามว่าองค์คาพยพของสังคมอันใดที่จัดการกับจิตใจของมนุษย์ได้ดีที่สุดคำตอบคือศาสนาตรงกับยูเนสโกดังที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่า ต้องการให้ทุกศาสนกของทุกศาสนาเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาแหละและท่านก็เลยกลายเป็นบุคคลสําคัญของโลกที่อยู่ใน s c o ประกาศนะมันก็คืออันเดียวกันให้คุณเป็นคนดีตามหลักศาสนาของคุณและคุณก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมของคุณและกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทีนี้มาพูดถึง s t r ATEGY บัณฑเราเ อ, อ, อยู่ในสถาบันสันติศึกษา อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรืออยู่ในองค์กรทางศาสนาถ้าจะมีส่วนในการสร้างสันติให้กับโลกใบนี้เนี่ยมันจะมียุทธศาสตร์แล้วก็มีขั้นตอนเราเรียกกลยุทธ์สี่ขั้นตอนด้วยกันในทุกที่ในโลกนี้รวมถึงที่นี่ข้อแรกก็คือ prevention ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้ง ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามไม่ใช่ปล่อยให้มันขัดแย้งทะเลาะกันแล้วค่อยไปแก้อย่างนั้นมันอาจจะสายเหมือนกับเราป่วยเนียนะบางทีไปตรวจซะเร็วๆหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็ขั้นสุดท้ายแล้วนะทํานองเดียวสังคมมันป่วยเพราะความขัดแย้งเราจะต้องมีกระบวนการในการป้องกันให้ไม่ให้มันป่วยไม่ให้เกิดความขัดแย้งเขาเรียก prevention ภาษาทางศาสนาพุทธเขาเรียกสังวรสังวรระวังอ่ะ อันที่สองเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วเนี่ยทำไงเราจะแก้ไขความขัดแยง้งสลายความขัดแยง้งเรียกว่า resolution ก็คือปะหนะละัความขัดแยง้งอันที่สามเมื่อผ่านขั้นตอนของการแก้ไขความขัดแยง้งมันยังมีความขมขื่นอยู่ในใจความเกลียดชัง คุณทำชั้นการจองเวรมันจึงต้องมีเขาเรียกว่าเล็กเล็กคอนซูเลชันก็คือการปลอมดองสมานฉันท์อภัยกันม่เช่นนั้นเนื้อมันก็จะกลับมาประทุอีกเลิกลบลาค่าฟันกันแต่ว่ามีโอกาสเมื่อไรชันก็ยังแค้นอยู่ต้องเอาคืนน่บุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระมันก็จะไปทําหนองนั้นมันจึงมาถึงขั้นที่สา ส่วนขั้นสุดท้ายถ้าสังคมมันสงบอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงที่จะรักษาสันติภาพให้มันยั่งยืนเขาเรียกอนุรักษนาให้เราใช้ในความหมายว่ารักษาความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มก็คือตัวข้อที่สีสันี้สาสนาจะมีบทบาทในสี่ขั้นตอนได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกัน ในข้อแรกก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งถ้าท่านดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดก็คือความขัดแย้งมันมาจากความไม่อดทนไม่อดกลั้นกันในความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยที่มันมีความหลากหลายแล้วเราทนในการแต่งตัวที่แตกต่างไม่ได้ ทนในภาษาอาหารวิถีชีวิตที่แตกต่างไม่ได้เราไม่มีขันติไม่มี Tolerance มันก็จะนำไปสู่ฟารุแรงถึงไม่ชอบแต่ต้องทนกันอะ่ะเออไม่เห็นด้วย we agree to disagree ยอมรับว่าเราเห็นไม่พ้องกันเรายอมรับว่าเราเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกอันนี้มัน Tolerance มันคือขันติ พระพุทธศ า, าสนาเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพเพราะว่าคุณธรรมสําคัญที่สุดเวลาที่เราไปดูโอวาทปาติโมกประโยคแรกเลยนะคําสอนธรรงคเนพุสนาเนี่ยคือคําว่าขันตีปรมังตโปตีติข่าความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเป็นตบักอย่างยิ่งและเวลาเผยเผยศาสนาเราเราเป็นศาสนาที่เกิดหลังศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็จะบอก พระอาหารหันต์หนึ่งันสรอหิบรูปในวันที่แสดงโอว า, า, าทปฏิมโมกว่าเวลาไปเผยแผ่ศาสนานะอนุประวาโทอย่าไปว่าร้ายอย่าไปโจมตีกันอนุประาโตอย่าไปทำร้ายกันถ้าเขาไม่นับถือศาสนาเราอันนี้มันจึงเขาเรียกว่าเป็นธรรมนูญของการเผยแผ่ศานสนาทีนี้มันจะสอดคล้องกับปฏิญญายนะูเนสโก้ศาสนาของท่านก็อาจจะมีหลักอย่างนี้เี๋ยแต่ แต่พูดในมุมมองของยูเนสโกองค์การยูเนสโกเนี่ยถือว่าเรื่อง t o l e er เร n c e เรื่องขันติธรรมเป็นฐานแห่งการทำรงรักษาสันติภาพจึงได้ประกาศ p r i n c i p l e of To งทอร์เรในปี 2,138 ประกาศปฏิ ญ, ญาว่าด้วยหลักการแห่งขันติธรรมมีหลายข้อนะใครเรียน ใครเรียนสันติศึกษาต้องทำความเข้าใจใน principle of tolerance ม, มิฉะนั้นเนี่ยจะพลาดแนวคิดเรื่องสันติภาพของโลกและเราต้องเอาเรื่องนี้มาชูประเด็นมันเป็นระดับโลกและมันจะเข้ากับสังคมพระวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเนี่ยเรามีวัฒนธรรมมาจากหลากหลายแหล่งจากหลากศาสนา มันจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลักการแห่งขันติธรรมได้อันนี้ต้องต้องเป็นหลักในการสันติศึกษาในสังคมพระอวธนธรรมคำว่า tolerance ขันติธรรมเนี่ยในใน i n c i p l e of tolerance ของ u n e s c โเขาให้คำนิอย่างไว้ถ้าลองดูในภาษาอังกฤษ ก, ก็ได้ภาษาไทยก็ได้คำว่าขันติธรรมความอดทนเนี่ยอดกั้นเนี่ยนะหมายถึง respect เคารพ Acceptance การยอมรับ Appreciation การประทับใจเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของโลกที่มันหลากหลายรวมถึงวิถีชีวิตการแสดงออกที่มันแตกต่างอาตม า, ต, มาต้องชื่นชมมาเลเซียตรงที่เขาทำตรงนี้ได้สังคมภูมิบุตรสังคมฮินดู สังคมพุทธเขาเขาเอาตรงนี้ไปใช้อย่างได้ผลเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปดูเขาหน่อยใกล้ๆเราเนี่ยแล้วเมื่อเขายอมรับนับถือในคุณค่าในความแตกต่างเนี่ยมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัา ย, ลายเนี่ยเราจะมี ภาพวิช า, าศาสนาเปรียบเทียบพระต้องเรียนาศาสนาอื่นอาตมาต้องอ่านคัมภีร์ไบเบิลต้องอ่านคัมภีร์อันกุรอานตั้งแต่เป็นนิสิตเพื่อโทเลนซ์นสิแหละรเราจะได้เข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรแล้วจะคุยกันรู้เรื่อง ปัจจุบันมหาจุลาอาตามาตอนที่เป็นอธิการบ ด, ดีเนี่ยส่งเสริมให้เปิดหลักสูตรสันติศึกษา peace education ตอนนี้คนแห่ไปเรียนกันมากตอนแรกเปิดปริญญาโทอนตอนนี้ต้องเปิดปริญญาเอกไปแล้ ว, ลวส่วนส่วนมากเนี่ยต้องการเป็นอะไรรู้เป็นวิศวกรสันติภาพ peace engineer ตามาคิดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้จากหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายเนี่ย อย่างตอนที่เราเปิดนี่ได้สถาบันพระปกเกล้าอะไรในภาพเล็กๆเลยนะมาหลายๆฝ่ายมาช่วยกันเอ่อ e Education เรียนอะไรองค์การยูเนสโกบอกว่าทำสองเรื่องนะถ้าท่านจะเปิดหลักสูตร Peace Education สันติศึกษาเนี่ยหนึ่งเขาใช้คำว่า discovery of a r t i r s ท่านจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนอื่นที่มันต่างจากเราให้คนนีเรียนรู้กันคือรู้ว่าเขาเขาเป็นเขาคิดอย่างไรเขาอยู่อย่างไงเพื่อที่จะได้เกิดขันติธรรมทำไมเขาถึงแต่งตัวอย่างนี้รลกฐานทางวัฒนธรรมทางศาสนาเขามาจากอะไร ไม่ใช่อยู่ๆกวมันไม่เหมือนเราทำไมคิดอะไรแปลกๆเขามีที่มาของเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างที่เรามาเสวนาเนี่ยมันเป็นข้อแรกข้อที่สองมันไม่พอนะข้อหนึ่งเนี่ยส่วนมากเราไปทํำหยุดๆแค่ข้อแรกเรียนรู้ซึ่งกันและ ก, กันเสวนาการแลกเปลี่ยนกันแต่ข้อที่สองเนี่ยสําคัญมากเขาเรียกโปรเจกต์ออฟแชร์เพอร์เพิ คิดโครงการให้เรามาร่วมทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตามแล้วพอทำด้วยกันเนี่ยมันจะมันจะเรียนรู้ยอมรับซึ่งกันและกันเพราะมาทางานร่วมกันเวลาที่เราเอานิสิตไปเข้าแคมป์เข้าค่ายเนี่ยเรายังให้สลายพฤติกรรมเลยอันนี้คือหลักการเดียวกันถ้าไม่มีโปรเจกต์ที่ให้ทำร่วมกันแล้วเนี่ย เขาจะไม่ได้ทราบซึ้งว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้เรียนรู้กันยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขาเอาทุกศาสนามาทำเรื่องอะไรเรื่อง global warming เรื่องภาวะโลกร้อนคุณจะมิวอยู่ศาสนาไหนก็ตามคุณ ม, มีมีความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดลอ้อมห่วงใยเรื่องออนอกจาก global ming, เรื่องสันติเราทุกคนต้องการให้เกิดสันติภาพ เพราะฉะนั้นก็ลงไปด้วยกันทำด้วยกันแล้วเราก็จะรู้ความคิดกันหนักนิดเบาหน่อยมันก็จะทนกันหรือถ้าผู้นำศาสนามาพบกันแล้วก็จัดงานสมมุติอ่ะงานในหลวงนะแต่ก่อนก็ห้าธันวายี่สิบแปดกันดาษกระดาษมาประชุมพร้อมกันเลยถือโอกาสในวันเฉลิมพระชนภพรรษาเนี่ยเอาผู้นำมาเลยนานๆในนานจะพบกันสักตีหนึ่งมาแล้วก็ไม่ใช่มาทำแต่พิธีทางศาสนามาคุยกัน ถวายในหลวงเห็นไหมนั่นแหละมันจะทําให้เกิดโครงการที่ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็สแสวงจุดร่วมสหมหวดจุดต่างก็หมายความว่าอะไรที่เราคุยกันร่วมกันเราทําแต่เรื่องความแตกต่างทงางศาสนาความเชื่ออย่ามาพูดบ้านเดียวกันยังตีกันทําอะไรให้มันเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะอันนี้ อ, อันเนี้ยในเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านทํำพีชเอดูคชันลงพื้นที่เนี่ย ญาติเพียงจะไปเก็บข้อมูลท ำ, project, ทำโปรเจกต์ทำโครงการอะไรก็ได้นที่สร้างสรรค์ปลูกต้นไม้กระด้อะไรกระด้แล้วแต่ท่านในท้องถิ่นของท่านเดี๋ยวในในในส่วนต่างจะมาทำอะไรจะเล่าให้ฟังตอนนี้เอาพูดถึงหลักการก่อน เ, อเรื่องแรกเปลี่ยนเรียนรู้เลยนะยกตัวอย่างสักหน่อยในช่วง เ, เมื่อสักสิบปีมา ทางผู้นำของโลกอิสลามแกรนด์อิมัมอับอันอัสเป็นประมุขสูงสุดของโลกอิสลามมาเยือนประเทศไทยไปพบกับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังกราชมาพบกันอาตมาเป็นล่ามแล้วแทนแกรนด์อิมามก็เชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชไทยไปเยือนอียิปต์ ทางผู้ปฏิบาตที่มอ่อแพตมาเนี่ยไปแทนไปอียิปต์โดยการประสานงานของเอกอัครยทูตไทยเป็นทางการนะเอกอัครทูตไทยที่อียิปต์มีกาหนดพบกลนีหมาบอฟอันอัสสัแต่ก่อนไปพบกแกนีมาให้ไปพบ ป, ป Egypt ๊ออฟิก่อนงงมากในอียิปต์มี ป, ป๊อปประชากร 8-90 ล้านคนเป็นคริสต์ 10% อยู่ในดินแดงที่เป็นศูนย์กลางของโลกอิสลามเนะี่ยที่ที่เห็นนะี่ยนะในตรงกลางอ่คนกลางนั่นนะคือป๊อบที่ยืนคู่กับตะหมาก็ถามว่าเอานี่ท่านอยู่มาได้ยังไงเนี่ยคนเราไม่รู้เลยนะในะในอียิปต์นี่มีคริสต์ตั้งสิบเปอร์เซ็แล้วท่านอยู่ได้งไงป๊อบบอกว่าเราอยู่มาก่อนมุสลิมอยู่มาก่อนอิสลามดินแด น, นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของคริสต์แล้วสลังมาเปลี่ยนเป็น อิสลามทั้งโลกอิสลามก็ยังให้นับถือาศาสนาคริสต์และเขาก็มีโป๊กของเขาเองไม่ขึ้นกับวัติกันเลยป๊กออฟอิจิตก็เลยถามว่าแล้วไม่ทะเลาะ ก, กันบ้างเหรอระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนเขาบอกมีแต่เวลาทะเลาะ ก, กันเนี่ยโป๊กประมุขสูงสุดยกหูโทรศัพท์คุย ก, กับแกนอิหม่ามออฟอันฮัสะ มันก็สลายความขัดแย้งได้เราคุยกันรู้เรื่องเพราะเราพูดภาษาอียิปต์ด้วยกันธรามาก็ไปพบแกรนอิมามถามว่าเอ๊ะแล้วแล้วทำไมท่านปล่อยให้มีคริสอยู่ในดินแดงของท่านตั้งสิบเปซ็ทำไมไม่คอนเวิร์ตไม่เปลี่ยนให้มาเป็นอิสลามหนังสือศาสนาอิสลามท่านก็อ้าง อ่านคัอลกุรอานสมาไม่รู้ในภาษาต้นฉบับเช็คจากภาษาอังกฤษสโลกนี้ถ้าพระอเลาะประสงค์ให้ทุกคนนับถือศาสนาเดียวกันพระอเลาะก็คงจะสร้างมนุษย์ให้มีจิตใจเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับเป็นผู้สร้างนี่ทําไมจะใส่โปรแกรมให้นับถือแต่พระอเลาะไม่ได้ เหมือนเราสร้างคอมพิวเตอร์เราใส่ซอฟต์แวร์อะไรก็ได้แต่คีวิ l l it o ัลทูไวต e ก็คือพระเจ้าหรือพระอรละประสงค์ให้คนนับถือศาสนาหลากหลายเพื่อแข่งขันกันทำความดีและเพื่อพิสูจน์อำนาจแห่งวิวร์ก็คืออำนาจของพระเจ้าที่จะจูงใจให้เข้าหาพระองค์มันจึงมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องสไตรฟ เพื่อแข่งขันกันทำความดีไม่ว่าศาสนาใดาก็ตามการนีหมั่นสันไว้อย่างนี้เสร็จแล้วอตวมาก็ไปพบอธิการบาดีมหาวิลลยอันอัสห์รัฐบาลไทยเนี่ยชอบให้คนชาวไทยมุสลิมไปเรียนที่มหาวิลลยนี้มีทุนให้ด้วยแต่ไม่ค่อยไป ตอนหลังมันรุนแรงขึ้นหรือไงมันในดินแดนเนี่ยแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยช่องให้ไปต่อมาก็ถามว่าถามอธิการบดีเนี่ยนะนี่คือการเรียนเปลี่ยนเรียนรู้นะอย่าลืมนะมันเป็นส่วนหนึ่งของพีชเอ education เราจะต้องเข้าใจกันก็ไปคุยกันทีไม่คุยกันแล้วเราจะเราจะเข้าใจกันได้ยังไงเขาก็บอกว่าท่านรู้ไหมมหาวิทยาลัยอันอาสาเนี่ยต่มาก็ไปเช็คดูนะโหเก่าแก่มากเป็นพันๆปีนะ ฮอลลีวูดเวลาจะสร้างหนังเกี่ยวกับโลกอิสลามเนี่ยต้องส่งต้นฉบับให้มหาวิทยาลัยนี้ตรวจเอาอย่างนั้นเป็นออเอริตี้ในเรื่องศาสนาอิสลามก็เลยถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลไทยถึงอยากให้มาเรียนที่นี่อธิการบดีในภาพมันก็บอกว่าเพราะเราเป็นกลางเราเป็นกลางกลางยังไง คือไม่ไม่สุดโตรงไม่แฟนตาติกไม่ด็อกมาติกไม่ยึดติดตำราในการตีความคัมภีร์ทางศาสนาโดยเฉพาะอันคุรอ่านเพราะการตีความคัมภีร์มันมีหลายวิเช่นมีแบบสุดโตรงก็ได้เอ็กซ์ตรีมติดคัมภีร์ก็ได้แบบรีบรอลก็ได้ใครมาเรียนที่มหาวิเรามหาวิไลของเราเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นที่อื่นเขาให้เรียนด้านเดียวแบบ น็อกมาติดคำพีก็ได้เอ็กสตรีมสุดต่งก็ได้หรือรีบรอลอย่างเดียวก็ได้แต่มาเรียนที่นี่เรียนมันทุกการตีความพอเรียนแล้วเนี่ยนักศึกษาเขาเป็นปัญญาชนเขาคิดเองได้ท่านเราไปยังไปปิดกั้นเขาสิเขาจะรู้ว่าสายกลางมันคืออะไรท่านนึกถึงเมืองไทยได้ไหมเราเราอยู่ในปลักของความขัดแยง้งทางการเมืองมาเป็นสิบปีเนี่ย ตอนนี้เริ่มดีขึ้นในช่วงที่เราขัดแย้งเนี่ยเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะแล้วอยู่ในปรักของการฟังนักการเมืองค่ายเดียวดูทีวีช่องเดียวทั้งวันทั้งคืนเปิดอยู่แต่ช่องนั้นเน <c oughs> ใช่แล้วแต่ว่าคุณจะสีไหนโอ้หน้ากลัวมากนะประเทศไทยมันมันกลายเป็นสุดโต่งไปเลยเนะี่ยไอ้ฝ่ายดูช่องนี้ ก็ทนที่จะฟังอีกช่องหนึ่งไม่ได้ไอ้มันมันนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสังคมไทยเป็นสังคมที่ใจกว้างาฟังสิ่งที่แตกต่างกันได้แล้วเปลี่ยนด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละมีอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็ให้ดูมันทุกช่องก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะท่านไป ให้มันมองอยู่ได้านเดียวดูทีวีอยู่ช่องเดียวต้องอย่างนี้อย่างงี้อันตรายมากในสังคมสังคมไทยมันเป็นสังคมเปิดมันจะต้องฟังใครรอบด้านมีฝ่ายเสนอมีฝ่ายค้านมีแรงดันเราจะต้องโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยส ถ, า, ถาบันการศึกษาเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบอย่างปีคอสเมื่อกี้พิสิกรแนะนำว่าจะมาไปพูดที่ยูเอ็ปีคอสสองพันเราจัดมีอะไรเนี่ยเวิร์กพ s u ส m i t เชิญท่านโคฟี่อนันต์ตอนนั้นเปรเลขาธิการสาัมปทานชาติเชิญผู้นำศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้หนึ่งพันท่านไปไประชุมในห้องประชุมใหญ่คาเลเจเนลล์แอสเซมบลีเนี่ห้องประชุมใหญ่ขององค์การสาัมปทานชาติเนี่ยเนี่ยเราไปนั่งกันอยู่ตรงเนี้ในคศปีคศสองพันเพราะอะไรท่านองค์การสาัมปทานชาติเนี่ยเขามองกันไกลเขาบอกว่า ในปี2000เนี่ยถ้าเราหนึ่งนึกย้อนไปนะก่อนหน้านี้โลกเราแบ่งออกเป็นสองวขวขั้วการเมืองคือคอมมิวนิสต์หรือเสรีภาพสาภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเผชิญหน้าด้วยอุดมการทางการเมืองมันทะเลาะกันมีการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์เราคงนึกออกแล้วจัดประชุมที่ไหนก็ตามนะ เขาเรียกวันที่สามเม้เน่ยรถกำลังอาวุธเนี่ยธมาก็ต้องไปนะเดินทางไปไประชุมผู้นำศาสนาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเพราะมันมีคอมมิวนิสต์มีอะไรต่างๆพอสหาภาพโซเวียตล่มสลายในปี2อ1 3 2 3สาสิบเอดสาสบสามสิบสามเนี่ยโลกมันน่าจะสงบนะมันไม่มีสงครามเย็นแล้วเราน่าจะอยู่กันอย่างสันติแต่มันไม่ใช่ท่านท่านลองคิดดูนะที่อายุมากๆหน่อยเนี่ย แล้วฝันนะพอมันล้มท้ายทางการเมืองสองค่ายใหญ่เนี่ยโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วค้าขายด้วยกันหมดจีนเนี่ยเลิกเป็นคอมมิวนิสต์ในความหมายส่งส่งละทิ่คอมมิวนิสต์ออกแต่ก่อนนี่ส่งมาลาวไทยจะเข้าปรเลาวกาัมพูชาจะเข้ามาประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแต่ก็ยังทะเลาะกันน่าเสียดายมากๆเลย สาธรณชาติกลัวแล้วเกิดร่วมมันจะเกิดทะเลาะ ก, กันเพราะอย่างนี้จึงจัดประชุมนี้ไงเพราะว่าเมื่อไม่ทะเลาะ ก, กันเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองมันจะทะเลาะ ก, กันเพราะอุดมการทางศาสนายู UN เอ็ขาเห็นเขาจึงเชิญผู้นำทางศาสนาไปคุยกันแล้วเขาประกาศซึ่งแตตาแมชอบมากเราลงสตยาบันด้วยกันมา โนโมว sin the name of religion ขอผู้นำศาสนาทุกศาสนายืนยันว่าพอกันทีที่จะยอมให้ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งหรือสงครามคุณนักการเมืองกระหายสงครามกระหายอำนาจทะเลาะ ก, กันไปเราไม่ว่าแต่อย่ามาอ้างศาสนาบังหน้าและผู้นำศาสนาอย่ายอมเป็นเครื่องมือเราจะ เราต้องประกาศตรงนี้ไม่ยอมให้มีสงครามในนามของศาสนาอีกต่อไปเราประกาศตรงนั้นและเมื่อตะมากลับมาประเทศไทยเราก็มันก็มีการประทุในดินแดนภาคใต้สามจังหวัดตะมาบอกกับพระทั้งหลายว่าบางครั้งเนี่ยผู้ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามต้องการให้มันเป็นความขัดแย้งทังศาสนา เราอย่าไปหลงกดอย่าให้ความเกลียดชังเพราะาศาสนามันเกิดขึ้นเขาจะแย่งอำนาจกันไปเรื่องให้ทางการเมืองเขาแก้ไขผู้นำาศาสนาต้องยืนหยัดตรงนี้และถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมาพระก็อย่าถลําไปไปปลุกระดมแก้แค้นกันเขาต้องการให้มันเข้าทางนั้น ตมาได้บอกในมหาวิทยาลัยสง์ซึ่งมีสาขาอยู่40จังหวัดรวมถึงที่ปัตตานีด้วยอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วเวลาเราไปไประชุมกันที่ UN เราก็ผู้นำศาสนาเนี่ยท่านท่านต้องการสถิตภาพแต่บางทีในดินแดนต่างๆอำนาจทางการเมืองอะไรต่างมันเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันเพราะฉะนั้นเมื่อตมากลับมาก็เลยมา ประชุมตั้ง World Council of Religious ร e Re a d e r s สสภาผู้นำศาสนาโลกที่ u n เที่ AT, ที่กรุงเทพมาเชิญพุทธคริสต์อิสลามรวมถึงชีฟลับใบของอิสราเอลมาด้วยอิสราเอลไม่เคยไว้วางใจโลกอิสอลามแต่ก็มาทําท่าจะไปได้ดีนะแต่ก็น่าเสียดายว่า World h o u s e k i n a u d i t o r a d e r เนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้เพราะว่าฐานมันต้องอยู่ใน UN เราแค่เป็นองค์กรศาสนามันไม่มีพลัง อ, อันนี้คือตัวอย่างอันแรกนะเรื่องเรื่องว่าป้องกันเนี่ยนะ Peace Education อะไรก็ตามเนี่ยนะผู้นำศาสนาสามารถที่จะสร้าง Goodwill สามารถที่จะทำให้เกิด ความเข้าใจอดีตกับทางกัน เ, เล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนที่ประเทศสหภาพโซเวียตล่มสลายดินแดนแยกออกไปเป็น15ประเทศใน15ประเทศเนี่ยที่ออกมาเหลือรัสเซียอยู่ด้วยเนี่ยน่าสนใจเป็นดินแดนมุสลิมอยู่อุซเบกิสถาน กาซักสถานซึ่งอยู่เหนืออัฟกานิสถานในอุซเบกิสถานก็มีความรุนแรงพระาศาสนาอุซเบกิสถานอะอัฟกานิสถานอะไรต่างแต่เหนือขึ้นไปเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านจะไม่เห็นในข่าวเลยว่ามันมีความรุนแรงพระาศาสนาก็คือกาซักสถานเมืองหลวงชื่ออัสตานาะ การสักสถานเนี่ยเป็นความชานฉลาดของปรฒธานาธิบดีเขามีคลิปมีอิสลามอย่างละครึ่งเพราะมาจากโซเวียตเนงฟิตี้ฟิ้เขาทำยังไงรู้ไหมส่งเรื่องมาที่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยส่งเรื่องไปที่พระสังฆราช ขอให้หมนต์ผู้แทนผู้าศาสนาไปร่วมประชุม World Religious Congress สสภาผู้นำาศาสนาโลกเป็นประชุมตกลมนะผู้นำาศาสนาทนั้นรรมมาเป็นผู้แทนประเทศไทยไปตั้งแต่เริ่มต้นประหลาดตรงไหนรู้ไม้มมันเป็นตกลมคนที่มาจัดประชุมเนี่ยคือประธานรัฐสภาเป็นแม่งานเตรียมการเป็นปีๆสองปีประชุมครั้งหนึ่ง ผู้แทนวาติกันก็ม า, าแกรนอิมัมออฟอันอาซาก็มาในช่วงหนึ่งที่จะมาไปต้นๆต้นตมาก็ถามว่าไอ้เขาทำทำไมคนที่มานั่งเป็นประธานในการประชุมคือประธานาธิบดีของกาสักสานประธานาธิบดีของกาสักสันมานั่งประชุมตกลงกับผู้นําศาสนาทายทอดสดทั่วประเทศคัดเอาใหญ่ๆผู้นําศาสนามาเนี่ยทุกพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยนะ โอยรักกันสามัคคีกันเนี่ยถอยทอดไปถอยเท่าสดทั่วประเทศมันเกิดอะไรรู้ไหมมันส่งสัญญาณว่าทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติประธานพระบิเอาจริงมานั่งเองเลยทําให้ผู้นําศาสนาไม่ว่าจะคริสกับอิสลามหรืออะไรก็ตามในดินแดนการศัสถานนี่จับมือกันเพราะเห็นผู้นําระดับโลกเขาดีกัน จนบัดนี้การสศาสถาไม่มีความขัดแย้งทางทางศาสนาเลยและเขายังจัดทุกสองปีต่อหลังอัตมาก็ไปดูเขาและโอ้เขาทําสําเร็จแล้วมันเป็นวาระแห่งชาติพอเริ่มตั้งประเทศเขาเขามองเลยว่ามันไม่มีเรื่องอุดมการทางการเมืองมันจะต้องเอาเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นประชุมใหญ่เลยลองประเทศไทยทําแบบนั้นมาสิเราเอาเรื่องศาสนาเนี่ประชุมกันเงียบๆแค่เนี้ยนู้ น่าสงสารลองระดับการสักการะนี่ทำไมมันจะไม่ยุติทานทำไมไม่ไม่ใช่ไม่เคยเสนอรัฐบาลนะรัฐบาลก็จะเอาอ้าวพอเริ่มจะทำนะอะไรยุบคอรมอบ้างเปลี่ยนไปบ้างมันก็ไม่ยั่งยืนอีกนะก็เลยแล้ว แ, แต่วันนี้ก็มาบทให้ฟังประเด็นที่สอง เรื่องของ Resolution นะแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยถ้าผู้นำาศาสนาไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ในความขัดแย้งเนี่ยมันสามารถเป็นคนกลางไกลเกลี่ยได้เราจะไม่ถูกระแวงเราหวังดีเราเราประสงค์ให้เกิดความรักความสามาคัคคีเพราะฉะนั้นในเรื่องของ r e ส i จส o ิโพรเมซี่เนี่ยการวางตัวเป็นกลางจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ภาพตรงนี้ต้องชัดเจนการเอาชนะเนี่ยนะมันมีสามวิธีในศาสรประชาชาติเขาทำสามวิธีถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นที่ไหนเนี่ยใช้กองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปคุมหรือเขาเรียกว่าอี o n o m น c มิกสันเซชั่นข้อที่สองอย่างอย่างที่เราที่เขาทำกับเกาหลีเหนือเย อีกโรมิคเซ็นเชนแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือข้อสามเขาเรียกว่าเอาชนะด้วยธรรมะเอาชนะด้วยธรรมะนี่หมายถึงใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อใช้ศาสนาใช้วัฒนธรรมเนี่ยสลายความขัดแยง้งซึ่งเรากำลังพูดถึงข้อที่สามพระเจ้าอโศกมหาราชลรบชนะทั่วอินเดีย แต่ตอนหลังบอกชัยชนะมันไม่ยั่งยืนค่าคนเป็นแสนที่กะลิงฆ่าอย่าเดียวตั้งเป็นแสนตอนหลังส่งทูตสร้างความสัมพันธ์กันดีกว่าไม่เอาแล้วถ้าเป็นาศาสนาเดียวกันก็ส่งสมณทูตที่ส่งมาเมืองไทยอ่ะที่เ็าเรียกพระโสนกุตระเนี่ยเรื่องที่สามเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะประเทศจีนกำลังใช้ จีนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนจากเรื่องของครามข้อที่หนึ่งข้อที่สองไอ้ที่เล่ามาสมัยก่อนแม้กระทั่งเรื่องการค้าเนี่ยจีนส่งออกวัฒนธรรมให้คนมีกูตวิวกับจีนมีสถาบันผงจือ้อสถาบันภาษาแล้วก็ทีวีวงไอทีวีไ อ, ไอของจีนน่ดาวเทียมเนี่ยจีนลงทุนหลายพันล้านมากเพื่อให้คนเรียนภาษาจีน เพื่อให้คนเรียนวัฒนธรรมจีนเดี๋ยวนี้เป็นไงคนไทยเนี่ยมีกูต์วิวกับจีนหมดท่านลองนึกว่าในสมัยนี้เนี่ยเขาเอาชนะกันด้วยด้วยไอเดียด้วย Values สารัฐเริกา ร, ระสมขังเรจในการส่งออกภาพยนตร์ฮอลลีวูดทำให้ยังไงก็มีกูต์วิวในขณะที่ฮิตเลอร์ไม่มี ผู้ชนะในโลกปัจจุบันที่ชนะฮิตเลอร์เนี่ยก็คือก็คือทางสาหรัฐทางอังกฤษทางอะไรต่างมันมีเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมพวกเราไปเรียนสหรัฐไปเรียนอังกฤษเนี่ยกลับมามาเป็นแนวร่วมเขาเท่าไหร่นี่ตอนนี้ไปเรียนจีนมันเป็นการเปิดกว้างเมื่อเมื่อกลับมาจากมหาวิทยาลัยนานาศาต์ก็ไปทำข้อตกลงว่าเดี๋ยวจะส่งพระไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาศาสต ยังหาอาสาสมัครไม่ได้ไม่กล้าไปแล้วตอนหลังมันเกิดความขัดแย้งที่อียิปต์อะเสียดายแต่ว่ามีพระจะไปแะแต่มันเกิดความขัดแย้งในอียิปต์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยยังพูดมานานแต่ยังไม่ทำไม่ได้สักทีก็คือทำไมเราไม่เปิดศูนย์ภาษายาวีให้พระได้เรียนจะได้คุยกันไม่ใช่มาเปลี่ยนศาสนากัน อยากให้เรียนเนี่ยทุกท่านส่งมาสอนพระหน่อยสิแถวเนี่ยนะ ม, มันจะได้สื่อสารกันนี่ก็คือทางวัฒนธรรมถูกไหมทำไมอังกฤษจึงจึงมีคนทั่วโลกมีกูเริลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรต่างเนี่ยรู้เรื่องเขาหมดเลยนี่มันคือโลกมันแคบและมันเราไปเรามีความรู้สึกปลอดภัยพบมทนพูดภาษาเขาได้อะ ลองสิถ้าเราพูดภาษายาวีไปไหนมันก็คุยกันได้หรือพระก็ต่างเห็นไหมนี่แหละที่นะท่านรับนโยบายไปด้วยผมพูดมาหลายปีแล้วมันไ ม, ไม่ไม่ทำไม่สเร็จลงทุนจะส่งพระไปเรียนไคโรก็ไม่สำเร็จนั่นคือข้อที่สามทำคือชนะด้วยแวลิวด้วยคุณค่าที่เราเรียกว่ามีทอ l e r รนซ์ต่อ ก, กันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในก็คือเราต้องการให้มันเป็นวินวินเน่ถ้าท่านลองคิดดูนะ ม, น ม, น ม, นมันมันมันมันมีสี่มุมมองนะเราพยายามยึดครองดินแดนใดก็ตามเราก็เป็นฝ่ายชนะเขาเรียกว่ามันเป็นอัตตาธิปไตเราเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอยู่ไม่ได้มันก็จะเป็นเราชนะเขาแพ้โลกาธิปไตก็คือรู้วินก็หมายคนอื่นมายึดละหมด เราเป็นมะอารีเราก็ลูสวินเราแพ้เขาชนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือธรรมมาธิปไตยวินวินอยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบแบบพี่น้องชาวพุทธาชาวมุสลิมเคยอยู่ร่วมกันอย่างสันติไปมาหาสู่กันแต่เดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่ได้แก่ก็ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นอนาธิปไตยอนาคี้ลูส์ลูสเราต้องไม่ให้ไปถึงขั้นนั้น เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในการเมืองไทยนะฮะปีท่านคงนึกออกสีเหลืองสีแดงทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเชิญผูน้นำศาสนาไปพูดกับศาสนกของตนออตอนนั้นท่านท่านด็อกเตอร์เนธรักษาการชูราลาราชมนตรีตอนนั้นยังไม่เลือกจุาลาสีใหม่ท่านก็ไปไปพูดออกทีวีทุกช่องเราเราไปพร้อมกัน แล้วท่านเกรียงศักดิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นคาร์ดินัลของคริสท่านก็นไปแล้วก็อาตมา ก, ก็เป็นผูแน้แทนศาสนาพุทธเราไปพูดให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติห้ามได้เดือนมั้ง้วอย่างนั้นตีกันเลกเลย <c oughs> ก็ยังดีได้ตั้งเดือนหน <c oughs> ึ่งเยหรือไม่อยากไปเลย <c oughs> <c oughs> มาถึงเรื่องข้อสามเรื่องปลองดองสมณฉันเนี่ยตอนนี้เราพูดกันเรื่อง ปลองดองสมานฉันใช่ไหม r e c o n s t r a t i o n คือไอตัวปลองดองสมานชันเนี่ยคืออภัยทานมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ให้อภัยกันเนยมันก็จะทำให้วงจรเขาเรียกวงจรอุบาทแยแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมามันไม่ยุติฉะนั้นบางกลุ่มเนี่ยผู้นำศาสนาไปทำเน้นในเรื่องอภัยทาน นั่งสวดมนต์อภัยกันหรือประ ก, กาศขอโทษขออภัยกันถ้าเกิดความรุนแรงเพราะศาสนาใดก็ตามเราไม่อยากให้เกิดเขาเรียกพยายามให้อภัยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าถ้าจะให้มีการปลองลองมันต้องทำจริงนะไม่ใช่ปาว่าตาขยิบรวมถึงในเรื่องการเมืองด้วยถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง จะหาสามักคียากลำบากจากความผิดพลังย่อมมีทั่วทุกตัวตนเรื่องของอภัยเนี่ยนะ f o กกิฟฟ์ฟอกเกลืมเลยให้อภัยกันขออ้างติศิษย์ษในสหรัฐอเมริกาทำไมประเทศเขายิ่งใหญ่มาได้มันแตกแตกเป็นสองประเทศเนะในสมัยสงครามกลางเมือง เลิกธาตอ่ะท่านดูให้ดีนะเามีเขามีการแตกออกเป็นสองประเทศฝ่ายเหนือต้องการเลิกทาตุรัฐฝ่ายเหนือต้องการเลิกทาตรัฐฝ่ายใต้ไม่ต้องการให้เลิกทาตเพราะใช้คนผิวดำทำอะไรไอไอไอ้ายปลูกฝ้ายอะไรต่างๆเยนะใช้แรงงาน <c oughs> ก็เกิดการหาเสียง <c oughs> เพื่อเป็นปฒนาธิบดี ว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายที่ต้องการเลิกทาต้อหาเสียงว่าถ้าเลือกข้าพเจ้าเป็นประธานาธิบดีข้าพเจ้าจะประกาศเลิกทาาอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเลือกข้าพเจ้าเป็นปรานิบีข้าพเจ้าจะไม่เลิกทาาโหวตกันวันที่ประธานาธิบดีฝ่ายเลิกทาาชนะเนี่ยชนการเลือกตั้งเนี่ยรัฐฝ่ายใต้ประกาศแยกประเทศทันทีคนที่ชนะการเลือกตั้งคืออับราฮัมลินคอน u n i t ในเตสเ e ็มันต้องสารมันเีกันเขาไม่ยอมให้แยกประเทศฝ่ายเหนือจึงส่งกองทัพมาลดกับฝ่ายใต้สีป่ปีท่านเกิดสงครามกลางเมืองคนตายไปหกแสนคนในสมัยโน้ตเป็นหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยสมัยรัชกาลที่สี่หกแสนคนนี่เยอะมากนะแต่ความยิ่งใหญ่ของลินคอนอยู่ตรงไหนตรงที่เขา ทำให้รวมประเทศได้ไม่ใช่ที่ชนะเขาเรียกเป็นเบนบิดาของประชาธิปไตยพอมันจะหมดวรวรกวรรคที่หนึ่งนะสี่ปีเคาลบอย่างเดียวใกล้จะชนะละ่ะหาเสียงเพื่อเป็นธนาิีวญารรคที่สองก็ออกตะเวนหาเสียงแล้วก็ขึ้นปราศัยดิงคอนบอกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วเพราะเขาเริ่มคิดว่า ชนะแล้วจะอยู่ร่วมกันยังไงทำไงจะปรองดองสมานฉันท์ฉะนั้นลินคอนจึงในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานาดีจึงทาท่าทีที่ผ่อนปลนที่เริ่มปรองดองสมานฉันท์ตั้งแต่การหาเสียงมีอยู่รั้งหนึ่งลินคอนบอกว่าพูดในการหาเสียงบอกว่าเราเกิดสงครามการเมือง เพราะเราก็หวังดีกับประเทศชาติด้วยกันทท้งนั้นแต่ฝ่ายใต้อาจจะใช้วิธีที่ผิด ท, ทั้งที่เป็นคนรักชาติฝ่ายใต้ที่แพ้เนี่ยนะรักชาติแต่ใช้ความรุนแรงเขาก็เป็นคนรักชาติสหรัฐเขาก็ต้องการเป็นคนดีเราก็ควรจะต้องต้อนรับเขามาพัฒนาประเทศ เรนคอนพูดอย่างนี้พอลงมาจากเวทีหาเสียงคุณยายชี้หน้าเลยท่านประธานาธิบดีเราผิดหวังในตัวท่านเราเลือกท่านเป็นประธานาธิบดีเมื่อสี่ปีที่แล้วเพื่อให้ท่านกำจัดศัตรูทำลายศัตรูแล้วทำไมท่านมาชมว่าศัตรูมันดีผิดหวังในตัวท่าน ขันควรจะกำจัดศัตรูทำลายศัตรูรินคอนตอบว่าไงคุณใหญ่ครับการที่ผมชมศัตรูเนะี่ยคือการที่มันก็คือการที่ผมพยายามเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรมิใช่เป็นวิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดหรือ คุณไปทำร้ายไปฆ่าเขามันเกินขึ้นมอีกเท่าไหร่แต่เอาเขาเนี่ยมาเป็นมิตรลินคอนต้องการอย่างนั้นแล้วเขาเขาก็ทำจริงๆฝ่ายภาคเหนือไม่เห็นด้วยที่ลินคอนผ่อนปลนเลยยิงเขาตายแต่ความตายของเขาทำให้คนได้สติรักษาสิ่งที่ลินคอนต้องการก็คือเล s กคอนส i รัคชั รวมเป็นอยู่ในเตสเทจนปัจจุบันเมือ่อที่ที่เราภาษาพระก็บอกว่าไม่จองเวนเนี่ยนะฮีเวเรนะเวลานี้เนี่ยเวนย่อมไม่ระงับงด้วยการจองเวนก็คือไม่ผูกอาฆาตพยาบาทต้องอภัยกันเวนระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนทำไมโลกปัจจุบันจึงยกย่องคนอย่างเนลสันมันเดล่า อันนี้คือตัวอย่างของนักปรองดองในร่วมสมัยกับเราเขาเพิ่งเสียชีวิตเนื่อสักห้าหกปีนี่เพราะฉะนั้นเอาเรื่องเขามาศึกษาได้เลยใน Peace Education เนี่ยสันติศึกษาอะไรมาศึกษาชีวิตเขาตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยน่าเห็นใจมากนะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยคนขาวคนขาวปกครองและเป็นรัฐบาลเสียงขั้นน้อย เวลาเลือกตั้งอาจจะพะคนขาวเลือกตั้งแล้วใช้อาวุธกดขี่คนผิวดำแล้วประกาศนโยบายเขาเรียกอภัยอภัยอภัยนี่ก็คือการแยกคนผิวดำออกจากผิวขาวห้ามสูงสิงห้ามใช้แม้กระทั่งชายหาดด้วยกันห้ามทุกอย่างเลยซึ่งมหาธรรมะคันธีตอนไปใหม่ๆเนี่ยยังไม่ประกาศใช้แต่ก็โดนเรื่องนี้เข้ามาก็เลยไม่พอใจมหาธมะคันธีก็ ก็ไปเริ่มจากตรงนั้นการกดขี่เพราะฉะนั้นแมนเดลาตอนนั้นยังหนุ่มอยู่จมมหาวิทยาลัยจึงประกาศว่าจะล้มระบบเยียดผิวเนี่ยเพราะมันถูกกฎหมายประกาศผ่านสภาด้วยของรัฐบาลผิวขาวแกก็ต่อสู้ไม่สาเร็จตอนหลังแกก็เลยตั้งพรรคคอมมิว น, นิสต์ใช้ความรุนแรงมนเดล่าใช้ความรุนแรงนะจึงติดคุกยี่สิบเจ็ดปีไง ช่วงต้นเนี่ยใช้ความรุนแรงถูกจำคุกในฐานะก่อกระบฏใช้ความรุนแรงยี่สิบเจ็ดปีแล้วออกมาจากคุกเพราะว่าคนผิวดำเริ่ ม, เ ร, มเรียกร้องสิทธิมากขึ้นจนรัฐบาลผิวขาวเนี่ยต้องยอมผ่อนปลดให้มีอำนาจในการปกครองฝ่ายที่เรียกร้องบอกต้องปล่อยมันเดละาเขาก็ปล่อยมา แต่สิ่งที่เมโดลาได้ทำนี่นี่คือตัวอย่างที่ว่าอะอภายเลยนะเนี่ยช้หาดเนี่ยห้ามคนผิวอื่นลงไปสิ่งที่สรุปสันส้นๆพอพอเขาออกมาจากคุกเนี่ยนโยบายของเมโดลาก็คือว่าต้องการให้เซาว์แอฟริกาเป็นดินแดนไม่ใช่ของคนผิวดำเท่านั้น คนผิวขาวก็อยู่ได้คนอินเดียก็อยู่ได้ทุกฝ่ายต้องอยู่ได้หมดไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรงทำร้ายผิวขาวดูสิเขาติดคุกยี่สเจ็ดปีเขาเขาไม่เขาไม่เอาแล้วเขาจะมีอยนาจเายเขาเขาเรียกเขาให้สิทธิ์คนผิวขาวเข้ามาปกครองภรรยาตึ่งช่วยให้เขาออกจากคุกไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้กำจัดพวกผิวขาวเขาต้องประกาศยากับภรรยา ดูสิและในที่สุดสามารถเอาทุกฝ่ายเนี่ยมาอยู่ที่โต๊ะเจราจารได้พวกเผ่าสูรูใครต่อใครได้นะมาเจราจารกันหมดเลือกตั้งพอเลือกตั้งปรากฏว่าเขาได้เป็น เ, เสียงข้างมากนะไอเขเขาเข า, เขาชนะเขาได้เป็ น, ป, น, นประธานาธิบดีมันมียุดจุดหนึ่งที่ผู้สือ่อข่าวติดตามกันหาเสียงเลือกตั้งดิเบตกันระหว่าง ประธานดีผิวขาวซึ่งผพลพ้นอำนาจคือเดอะเคลิร์กกับเมเดลาหาเสียงเพื่อเพื่อกันสมัยเดอะเคลิร์กเนี่ยเขาเอาเฉพาะผิวขาวมาเลือกตั้งเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ตอนนี้เอาทุกฝ่ายผิวดำมาเลือกด้วยเขาก็จะต้องไปออกทีวีโต้วาทีกันเหมือนสหรัฐปรากฏในการโต้วาทีนี่สู้คนผิวขาวไม่ได้เดอะเคลิร์กพูดเก่งกว่าเมเดลาพูดอึดอัดไม่ประทับใจ แต่ตอนสุดท้ายตอนปิดรายการเมนเดล่าเนี่ยทำาให้ทุกคนประหลาดใจโดยพูดประโยคนี้ที่เห็นในบนจ อ, จอเนี่ยบอกว่าประเทศเราต่อไปมันจะต้องอาศัยทั้งผิวขาวผิวดำเราสองคนจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเรามาจับมือกันพัฒนาประเทศของเราดีกว่านเนี่ยประโยคนี้ I am prepared to hold your hand ยื่นมือในถ้าเพิ่งโต้ทีกันเสร็จกลางไงทีวีถ่ายทอดสดเนี่ยไปให้เดอะเคิร์กนี่นจับเนี่ยใ น, นคือภาพนี้เดอะเคิร์กงงดาาก็อยู่เแบบ็บเบ็บเรามาจับมือกันพัฒนาประเทศดีกว่าผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เนี่ยนะบอกว่าโต้ทีเนี่ยสู้ไม่ได้แต่การจับมือครั้งนี้รู้เลยว่ามเมเนดาชนะการเลือกตั้งแล้วก็ชนะจริง นี่คือปรองดองสมานในฉันสุดท้ายที่อาตมาเรียกว่าเพียรรักษาสันติภาพเนี่ยจะมาทำเองนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแสแบงจุดร่วมส ง, งวนจุดต่างที่วัดอาตมาเนี่ยไม่ใช่ในฐานะที่การบารีนะในฐานะเจ้าวาดวัดปริยุรเราเรียกว่าย่านกระดีจีนท่านเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ได้ตอนนี้ ในสิบปีที่จะมาพัฒนาไปกลายเป็นที่คนไปดูเรื่องการอยู่อย่าง ร, าร่วมกันอย่างเ้าเรียก อ, อะไรปลองดองกันเนี่ยไม่ใช่ปลองดองสิสันติถ้าเป็นสะพานพุทธน่ยท่านจะเห็นตรงนี้ย่านนี้เนี่ยย่านกะดีจีนเนี่ยมันมีหกชุมชนอยู่รอบวัดประยูนวัดประยูนเนี่ยเป็นชุมชนพุทธ น, น, นะนะแต่ชุมชนกะดีขาวเป็นมุสลิม มีสุเหลาซึ่งเป็นทรงไทยชุมชนกับดีจีนเป็นคริสห่าง ก, กันแค่ร้อยเมตรเท่านั้นแหละเราอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีเขาเรียกสามศาสนาพุทธคริสต์อิสลามสี่ความเชื่อมีมหายานด้วยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วอาตมา ก, ก็สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนีเ่เรามาจัดกิจกรรมร่วมกันนะชวนผู้นำมุสลิมผู้นาอะไร่างถังเรามาทาอะไรดีจัดลอยกระทงท่าน คริสต์มาสก็ไม่ได้มันเป็นคริสเราบาร์มมดอนก็ไม่ได้ออวิสาขา ก, ก็ไม่ได้ร้อยกระทงกันแล้วกันแล้วก็วกเอาพุทธจีนศิลา ม, มาอยู่บนเวทีเดียวกันทํากันไปทํากันมานี่เขาเรียกว่าเรียกแรกเรียนเรยนรู้เกิดการรีสติกกันอัตมาไม่เคยมีอิหมามมาก็มาอัตมาไม่เคยเข้าไปในโบสถ์คริสพระไม่ เ, มเข้ามาก็ไปโบสถ์คริสแรกเลี่ยน แล้วตอนหลังชาวบ้านอาจจะมองแปลกๆตอนหลังนี่เป็นเรื่องปกติหมดจัดงานวัดประยูนท์ทีไรนะแกะ่ทางอิหมามต้องบอกว่าเดี๋ยวขอไปอภิปรายด้วยทุกปีทางคริสก็มานเนี่ยเให้ท่านดูก่อนที่ให้ดูภาพนี่เราประกาศเขตปลอดบุหรีนะสาาระสถ า, านปลอดบุหรี่กระทรวงสาธารณสุขไปประกาศไอไปถแถลงข่าววัดประยูนนี่ แล้วท่านผู้นั้นกับปไปร่วมกั น, นปลอดบุหรี่มันทุกศาสนาใช่ไหมละ่ะอ่าอ่านี่จัดงานวัดประยูนเนี่ยมีการอภิปรายงานลอยกระทงเนี่ยไปนั่งยุม่มโดยทีกันเลยให้ลองดูสิแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้สึกแปลกเลยเพราะเราทำมาเป็นสิบปีมันจะกลมกลืนนี่เป็นภาพปกติมากนี่จนรัฐบาลทนไม่ได้ปีที่แล้ว ให้ดูภาพนี้ปีที่แล้วทางสภาสอนอชอสภานนติบัณฑิตแห่งชาติมีงบประมาณอยากจะจัดเรื่องไอ้ไ อ, อ้ความกลมกรืนทางศาสนาไปที่ไหนดีลงไปกระดีจีนท่านเอากรมศาสนาไปเอาท่านพรเพชรนี่น ะ, ะนอนออเนี่ยประธานสนชเนี่ไปจัดงานเอางบประมาณสอนอชอไปจัดอยู่เนเวทีเดียวกัน เพื่อส่งสัญญาณว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติรัฐบาลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นผู้นำศาสนาสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกตอนนี้ก็คือว่าปกติเจดีย์วัดประยูรเนี่ยมันเก่ามากร้อยเก้าสิบปีสูงที่สุดในกรุงเทพหกสิบเมตรไม่เคยซ่อมมาเลยท้ามาซ่อมนั่นแหละเป็นกลางคืนจะเห็นสีขาวลิมบั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฟ้ากุาเราได้รางวัลอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมจากยูเนสโก ปีนั้นได้รางวัลเดียวอันดับหนึ่งอวอร์ดอ l ฟเอ็กจากยูเนสโกปีห้าหกเนี่ยตายูเนสโกเนี่ยผูอ้อนวยการยูเนสโกเมืองไทยไปมอบให้ที่วัดผู้ผู้นำศาสนาไปไปรับรางวัลบนเวทีด้วยกันไปนั่งอยู่ด้วยกันสิ่งที่ต้องพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยไม่เคยได้รางวัลอันดับหนึ่งเลยทุกวันนี้ได้อันดับสามอันดับสี่ สิบกว่าปีแล้วไม่เคยได้รางวัลหนึ่งมีได้อยู่ครั้งเดียวแล้วหลงังจากนั้นก็ไม่มีได้อันดับหนึ่งเลยมีวัดประยุทนะ่นอันเดียวท่านท่านรู้ไหมทำไมเราจึงได้ดูจาก citation ที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเนี่ย Award of Excellence เนี่ยนะก็คือประโยคที่เราแปลันเนี่ยนะเป็นความร่วมมือในการบรณเจารีเป็นความร่วมมือร่วมใจทีน่นยกยอ่องหลวงพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้าน เป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างวัดกับชุมชนซึ่งมันมีหลากศาสนาทางทางยูเนสโกไม่เห็นว่าทั้งคริสต์ทั้งอิสลามมาร่วมกับพัฒนาวัดประยูนเขาไม่เคยเห็นเขาเลยให้รางวัลที่หนึ่งแล้วพอเราได้รางวัลที่หนึ่งอธิการประกาศว่าไงนี่มันคือรางวัลของพวกเราทุกศาสนานะพูกวัดประยุนอ่าไปกลางใส่เขานะเราจะต้องเป็นโฆศกเหมือนเราอยู่หน้าบ้าน ใครอยากจะมาเที่ยวชุมชนที่ได้ที่ได้รางวัลยูเนสโกเนี่ยมันไปอยู่ในฐานทั่วโลกแล้วแล้วเราก็แนะนําให้ไปกูดีจีนไปมัสยิดกูดีขาวทุกวันนี้เนี่ยเวลาภาคใต้ไปนะไปที่มัสยิดกูดีขาวเขาจะโทรไปย้อนไปยูนพระก็จะต้องไปต้อนรับพวกท่านนะ <c oughs> เพราะเราถือว่าเราได้รังวัลด้วยกันเดี๋ยวเอาแล้วทางุางกูดีจีนก็บอกว่าบาดหลวงมาแล้วเอาท่านต้อนรับหน่อยพุทมาแล้วเราส่ง มันจึงกลายเป็นชุมชนเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันแล้วเขามีผลประโยชน์ร่วมกันก็คือกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมีผลประโยชน์เลยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงามอันนี้และทางฝ่ายวัดเราก็ไม่ได้ประกาศว่าเราได้เพราะเราตามลําพังเพราะถ้าเราตามลําพังคงได้ที่สามที่สี่เหมือนทุกแห่งในประเทศไทยคือได้แต่เราได้อันดับหนึ่งเพราะ เขาหูวัฒนธรรมมาร่วมกันพัฒนาอย่างนี้อาตมาจึงถือว่าทั้งหมดที่ว่ามานี่ก็คือบทบาทของศาสนากับการสร้างสันติภาพเขาฝากทุกท่านไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้